ทำเอาคาสอนของพระ เ, เจ้าเนี่ยเป็นหลักเป็นเครื่องดําเนินนะนั่นเราจะไปทําอะไรไปตามความคิดความเห็นองคตนฝ่ายเดียวไม่ได้อิงหลักทำคําสอนของพระ เ, เจ้านี่ไม่ไม่ได้แล้วมันไ ม, ม่ทางที่จะเจริญรุ่งเรืองไปได้แล้วเพราะว่าเราทุกคนนะ มันมีอวิชชาตันหาหุมพ่อในใจอยู่ก็อย่างที่เคยเตือนเคยพูดให้ฟังมาแล้วดังนั้นทุกคนอย่าพากันประมาทว่าเรามีทำอยู่ในใจอยู่อย่างนี้มันก็ตั้งอยู่ในสุจริต ธ, ธรรมได้กิเลสก็ครอบงำจิตใจไม่ได้ถ้าใจมันห่างจากศีลจากธรรมไปแล้ว ไม่ไหวจริงๆอ่ะเป็นช่องทางให้กิเลสตัณหามันเกิดขึ้นครอบงมจิตใจได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะก็ให้สำนึกถึงตัวของเราเองเสมออย่างที่เทศให้ฟังมานั่นแะตอนหัวรุ่งพันให้รู้จัก ก, กลักลาตัวเองให้ได้ ทุกคนเนี่ยร่วนแต่มีบุญทั้งนั้นถึงได้มาเกิดในโลกนี้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนขึ้นมานี่ถ้าไม่มีบุญแล้วไม่มีทางจะได้มาเกิดอันนี้ข้อหนึ่งต้องให้นึกเตือนจนเสม อ, อเรามีบุญนะเราจึงได้เกิดมาเป็นคนแล้วเรามีบุญมากสมควรนะจึงได้มาบวชนี่เ น, นื้วผูก ผู้เป็นเคเงหัดก็เหมือนกันนะก่นนึกเตือนตนเสมอว่าเรามีบุญนะจึงได้เกิดมาพบพุทธศาสนานี้เรามีบุญเราจึงได้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้าหากว่าเราไม่มีบุญแล้วหรือว่าเราไม่เคยนับถือพระรัตนกรัยมาแต่ก่อนแล้วอยังนี้เราจะ ไม่มีศรัทธาเลยเกิดมาในชาตินี้จกไม่ได้มาปฏิบัติมาธานุบําลุงวัตรวาศาสนาอย่างนี้เราจะไม่ได้มีโอกาสได้มาทำเลยอันนี้แสดงว่าเรามีบุญมาต่ชาติก่อนนู่นทีนี้เราจะมาอาศัยแต่บุญเก่าอยู่อย่างเดียว แล้วไม่สร้างบุญใหม่ขึ้นเพิ่มเติมอีกอย่างนี้มันก็หมดผลทางแล้วทางที่จะมีความสุขความเจริญต่อไปนั้นไม่มีนี่มันต้องคิดเรื่องนี้ให้มากมากให้นึกถึงคําสอนที่ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนะอมเมื่อตนทํากรรมอันใดก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นอันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริง พ่อหลักของพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นหลักที่ไม่มีเหตุไม่มีผลมีเหตุผลที่จะให้คนเรานั่นได้พิสูจน์ได้เต็มที่เลยพิสูจน์เรื่องการกระทําของตัวเองนี่แหละอยา่าไปพิสูจน์เรื่องอื่นทุกคนเมื่อตนทําอะไรลงไปแล้วต้องพิจรารณา ว่ามันดีหรือมันไม่ดีมันมีประโยชน์หรือมีโทษอย่างนี้นะนี่ต้องพิสูจน์การกระทําคำที่พูดของตัวเองเสมอทุกระยะไปเลยทีเดียวเพราะว่าการกระทําลงไปนั่นมันมีมันมีอยู่สามอย่างถ้าถ้าไม่ดีก็ชั่วหรือมิฉะนั้นก็เป็นกลางๆ ไม่ดีไม่ชั่วนี่มันมีอยู่สามลักษณะอย่างนี้การกระทำอะไรลงไปแล้วนะบันี้กการที่เราจะรู้ว่าทำอะไรลงไปแล้วมันชั่วนั้นมันก็มีคาสอนนี่ เ, เป็นเครื่องเทียบเลยถ้าทำอะไรพูดอะไรไปมันขัดต่อพุทธบัญญัติคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงว่ามีโทษถ้าเราไปดาวอุเฉยนี่ไม่ได้ เพราะตัวของเราเองยังไม่รู้แจ้งความจริงเรื่องเหล่านี้เลยอยังไม่รู้แจ้งดังนั้นเน่ะเราจึงได้เอาคําสอนของพระพุทธเจ้านีนะ่เป็นเครื่องเทียบกับการกระทําคําที่พูดของตนอเช่นเช่นว่าท่านพูดปลดอย่างนี้นะมันพูดอย่างไรจึงได้อาพูดปลดมันนี่ เราจะไปเอาคําพูดอย่างอื่นของคนอื่นอะไรมาเทียบอย่างนี้ไม่ถูกไม่ได้เลยอก็ต้องเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านํามาเทียบพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเจตนาที่จะพูดให้ผู้อื่นเกิดความเห็นผิดจากเรื่องนั้นต่อไปความจริงของเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้น แต่ผู้พูดเท็จนั้นพยายามพูดให้นอกเหนื อ, ออกไปจากเรื่องจริงเรื่องนั้นให้เป็นเรื่องอื่นไปอืมแต่เป็นเรื่องไม่จริงพูดหลอกลวงให้คนอื่นหลงเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงอย่างนี้นะนี่นะนี่เรียกว่าพูดเท็จเป็นอย่างนั้นในคําสอนของอุตตเจ้าและต้องมีเจตนาจึงจัดว่าเป็นผู้เท็จได้ ถ้าหากว่าพูดไปพูดไปลเปลยเผลอเผลอพังเผลอพูดไปเลยกลายเป็นเรื่องเท็จไปอย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นพูดเท็จอืมอันนั้นพ่อไม่ได้เจตนาที่จะพูดให้ใครเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานาหมดนั่นา น, านะไม่มีเจตนาเหตุนั้นจึงไม่จัดว่าเป็นพูดเท็จอย่างนี้พูดทอเสียดนั่นคือพูดอย่างไรอ่ะอย่างนี้ ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นว่าพูดชดเศียรนั่นก็คือพูดยุโยงให้คนอื่นแตกแล้วสามัคคีกันเช่นยกตัวอย่างว่าในระหว่างนายกอกับนายขออย่างนี้นะเมื่อตนเกลียดนายก อ, อย่างนี้นะก็ไปยุให้นายขอนั้นมาเกลียดนายกนี้เข้าไปอีกอย่างนี้ ปั้นเอาเรื่องของนายกอไปพูดให้นายขอฟังว่านายกอถะาคิดไม่ดีต่อคุณอย่างนั้นอย่างนี้เขาทําไม่ดีพูดไม่ดีเขานินทาคุณอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงนายกอเขาไม่ได้นินทานายขอเลยอแต่นายกอนี่ยหากไปปั้นเรื่องเอาไปยุให้นายขอเกลียดชังนายกอนายขอถ้าเป็นคนหูเบาก็ต้องเอาแหละ มาต่อว่าในกรเข้าไปแลหละเลยเกิดทะเลาะวิวาทกันขึ้นไปพูดอย่างนี้นะท่านเรียกว่าพูดส่อเสียดให้เข้าใจไว้ยิ่งพูดเป็นสมณะเป็นนักบวดนี่ยิ่งสังวนระวังเต็มที่เลยคำพูดอย่างนี้นะเป็นคำพูดที่หยาบคายซึ่งไม่สมควรแก่สมณะที่จะพึ่งไปพูดอย่างนั้นนะ จ่ไปจับเอาเรื่องผู้นั้นมาพูดให้พู้นี้ฟังเอาเรื่องพู้นั้นมาวิจารณ์ให้พู้นี้ฟังเอไปเที่ยวจับเอาแต่เรื่องคนอื่นมาวิจารณ์ว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อะไรหมอนี่ไม่ใช่เรื่องของบรรทชิตเลยนะให้เข้าใจไว้มันเป็นเรื่องหยาบคายเรอเรามันอุดมมปรเพศนี่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไนะใครจะเป็นยังไงก็ช่างใครอะ่ะ อย่าไปเอามาวิจาร์ให้มันลุกรามไปแล้วถ้าบาังเอิญว่ามันเป็นเรื่องไม่จริงเข้าไปอย่างนี้ก็เอาเลยฮะนี้เลยเกิดเป็นเรื่องวุ่นขึ้นมาเลยนี่ถึงเป็นเรื่องจริงได้ก็เหมือนกันนะมันก็ไม่ควรเลยฉะนั้นถ้าหากว่านักบวชนี่นะ จะพูดอะไรกันนี้ต้องตั้งคิดเมตตาจริงๆนะปรารถนาหวังจะให้อผู้นั้นล ะ, ะความผิดมาดําเนินในทางที่ถูกอย่างนี้แล้วถ้าตนเห็นว่าผู้นั้นผิดจริงนะมีเหตุผลจริงๆมีหลักอ้างอิงจริงๆอย่างนี้นะแล้วก็มาพูดกันโดยเฉพาะเลยอย่างนี้แต่ถ้าว่าตน มีใจเป็นกลางอยู่นะอ ไ, ไม่ไม่ไม่ลําเอียงด้วยความโกรธความเกลียดกันนะนั่นแหละแต่ถ้ามันโกรธกันเกลียดกันแล้วนั่นไม่ไม่ดีเลยไปพูดกันลงไปมันก็เป็นเรื่องทะเลาะกันไปแหละเอมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวดเนี่ยไอเรื่องเกลียดชังอะไรต่ออะไรพวกนี้ยอย่าให้มีอยู่ในใจ น, นั่นเอง เรื่องรักเรื่องใครอะไรพวก น, นี้ยอย่าให้มันมีอยู่ในใจอย่างนี้มันจึงเรียกว่าเป็นนักบวชนะเป็นผู้ประพฤติพรหมมัจจันนะทุกคนต้องทำละใจตัวเองออกให้มันได้พรหมมาจันนี่ประพฤติอย่างพรหมอันพรหมนี่นะเป็นผู้มีพรหมวิหารซีมีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาอยู่ในใจอย่าง น, นี้นั่นแหละ เราคู่ปราพฤติพรมอาจารย์นี่ก็ต้องให้นึกอย่างนั้นก็อันพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระสาวกทั้งหลายด้่ยก่อนท่านก็พฤติอย่างพรมอย่างว่านี้เลยพยายามฝึกจิตใจให้เป็นกลางต่อสรรพสัตว์โลกทั้งหลายทั้งคนดีทั้งคนชั่วเราต้องวางใจเป็นกลางเลยอ เอาคนดีเราก็ไม่หลงรักหลงไข่คนชั่วเราก็ไม่หลงเกลียดหลงชังเราอยู่ท่ามกลางเลยนี่จึงเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์พูดเอาอย่างรวบลัดเพื่อให้เข้าใจความหมายง่ายๆเข้าถ้าว่าผู้ใดยังลำเอียงไปด้วยความรักความเกลียดความชังอยู่งั้นไม่เชื่อว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้เข้าใจ อันนั้นมันก็เป็นกิเลสทั่วไปแก่ผู้ครองเรือนนะอืผู้ครองเรือนนี่มันย่อมเอียงไปเอียงมาอยู่อย่างนั้นนะ่ะเป็นธรรมดาของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้มาปฏิบัติทำอย่างรับคุมเหมือนอย่างนักบวชอย่างนี้มันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละไปแต่ว่าผู้แท้ผู้ที่เขาปฏิบัติเคร่งคัดเข้าไปเขาก็สามารถ ทำใจให้เป็นกลางได้เหมือนกันหลผู้ครองเรือนก็ดีอันจะเราเป็นนักบวชนี่นะต้องให้ใจมันสูงกว่าชาวบ้านมันจึงสมควรที่จะเป็นเนื้อนาบุญของชาวบ้านได้จึงสมควรที่ชาวบ้านเขาจะเคารพกราบไหว้สักการะ บ, บูชานี่อันธรรมดาเป็นนักบวชนี่ ต้องอดต้องทนต่อคําด่าว่าเสียดสีกระทบกระทั่งต่างๆนานาโมนี้นะถ้าว่าผู้ใดอดทนต่อคําด่าว่าเสียดสีอะไรโม น, นี้ไม่ได้ก็เป็นอันว่าคุณสมบัติของนักบวชไม่มอีอย่างนั้นให้เข้าใจเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้า ในครั้งนั้น่เสด็จประทับอยู่เมืองโกสัมพีตอนเช้ามาก็พาพระอา น, นุ์เสด็จบินระบาดตามถนนในเมืองวันนี้พระมเมหสีของพระเจ้าอุเทนนั่นพ ร, พระยาบาทพระมเมหสีหลงลงไปนั้นอีกชื่อว่านางสามาวดีอา้าวก็รู้ว่านางสามาวดีนับถือพระพุทธเจ้าอย่างนี้ ก็เลยมามาพยาบาทถึงพระพุทธเจ้าเอาล่ะเราเจ็บหาหนทางขับไล่พระพุทธเจ้านี่หนีจากเมืองนี้อย่าให้ อ, อแม่คนนี้ได้ทําบุญทุนทา น, นเตวอ่าเป็นมานของนางสามาวดีนางมาคันธียาน่ะก็จึงได้จ้างคนตามด่าพระองค์พระองค์สเสด็จบินวบาไปคนเหล่านั้นรับจ้างแล้วก็เดินด่าพระองค์ไป พระ อ, องค์ก็เฉยมันี้พระอานนท์ก็รําคาญเลยวันนี้นะพระอานนท์ราคาญก็จะนี่กราบทูลพระ อ, องค์ว่าเออไอเรามาอยู่เมืองนี้นี่เขาด่าแล้วเกินขอพระองค์ได้พาข้าพระองค์ไปเมืองอื่นเถิดพระ อ, องค์เจ้าจึงตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ถ้าว่าเราไปเมืองอื่นแล้ว คนในเมืองอื่นเขาด่าแล้วบอกนี่จะไปไหนอีกเก็ต้องไปเมืองอื่นต่อไปพระองค์เจ้าจึงตรัสว่าดูก่อน อ, น, อนุนการทําเช่นนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปรักแล้วก็ไม่ใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะพึ่งกระทําเช่นนั้นออบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมเป็นผู้มีความอดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียสีต่างๆนา น, นามูนี่พระองค์เจ้าเปรียบเทียบเหมือนอย่างช้างศึกของพระราชาที่นายควานช้างนั้นขี่เข้าไปต่อสู้กับข้าศึกช้างพระที่นั่งของพระราชาได้ฝึกดีแล้ว ไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อรูปธนูที่ข้าศึกยิงมาแต่ในทิทศทั้งซีฉันใดพระพุเทธเจ้าทั้งหลายก็ดีและภาษาพวกของพระองค์ก็ดีก็ย่อมอดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเ ศ, ศียสีจากคนผานก็ฉันนั่นเมื่อเราอดกั้นทนทานได้ ต่อไปนี่อีกสักเจ็ดวันเนี่ยเรื่องอย่างนี้ก็จะลั ง, งับไปอเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนต่อไปพอเมื่อเมื่อถึงเจ็ดวันแล้วเลยเจ็ดวันนั้นไปแล้วเรื่องต่างก็สงบลงไปหมดเลยไอคนที่ตามด่าพระองค์นั้นพระองค์ก็ให้อวัตเนะนําสั่งสอนเขาเขารู้ตัวแล้วเขาก็หยุดเขาก็ไม่ตามด่าพระองค์ไปอีก อา้าวนางมาคันดียาก็จ้างคนหมู่อื่นไปตามด่าอีกเพราะองค์ก็แนะ น, นำสั่งสอนเขารู้ทัวแล้วก็หยุดดา่าผลสุดท้ายในวันที่เจ็ดต่อจากนั้นไปก็ไม่มีใครรับจ้างแล้ววันนีเ้เรื่องมันก็ส ง, งบลงนี่แหละปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายในพุทธศาสนาเนี่ยมีอย่างนี้ฉะนั้นให้พากันรู้ไว้แม่ ตลอดถึงทายกทายิกาก็ดีภิกษุสามเณรก็ดีไอทำดังกล่าวมานี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึ่งปฏิบัติตามทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติแต่พระภิกษุสามเณรเท่านั้นไอส่วนครือหัดแล้วไม่ต้องปฏิบัติตามอย่างนี้ไม่ใช่เพราะกิเลสตัวเดียวกันความทุกข์อันเดียวกันอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าคนละอย่างกิเลสก็ดีความทุกข์ก็ดีรสชาติแห่งความทุกข์ก็อันเดียวกันนั่นแหละทังพระภิกษุธรรมเนนทั้งชายยกชายกาผู้ครองเลือนทั้งหลายอะไรอะไรก็เหมือนเหมือนกันแก่เจ็บตายก็เหมือนกันอย่างนี้แล้วจะว่ายังไงล่ะท่านนี่นั่นแหละการที่บุคคลจะมาดับทุกข์ได้ มันก็ต้องได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระติเจ้านี่ทั้งนั้นแหละไม่ว่านักบวชไม่ว่าคารื้อหัดอันนี้เลย ว, ว่าธรรมะอันนี้มันมันมันเหมาะสมกับบุคคลทุกเพศทุกวัยทุกสมัยทุกการเลยไอ้ที่มันไม่เหมาะสมกับบุคคลบางจำพวกนั้นมันได้แก่วินัยต่างหากหรอกวินัยนั้นพระองค์เจ้าบรญยัติเฉพาะภิกษุเท่านั้นเองเนะ่ะ มไม่ใช่บัญญัติทั่วไปแก่บุคคลนะไม่ใช่เพราะว่าภิกษุนี่เป็นอุดมมาเพศเป็นเพศอันอุดมเพราะฉะนั้นมันก็จะจำเป็นต้องมีความประพฤติเรียบร้อยอจึงเป็นที่เคารพนับถือกราบไหว้บูชาของพุทธศาสนกชนทั่วๆไปถ้าหากว่ามีความประพฤต อย่าโล้นอยู่อย่างเงี้ยจกไม่เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั่วไปเลยดังนั้นเหลยเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านี้นะพระองค์เจ้าจึงได้บัญญัติห้ามความประพฤติทางกายวาจาละเอียดและออกเข้าไปกว่าคนธรรมดาสามัญนนะ ไม่เช่นนั้นแล้วการเผยแผ่ศาสนาของพระ อ, องค์ก็จะไม่ก้วงขวางออกไปจะไม่สำสำเร็จประโยชน์แก่คนหมู่มากขอราพังแต่พระ อ, องค์ผู้เดียวนั้นพระ อ, องค์จะไม่สามารถไม่มีเวลาพอที่จะทเที่ยวไปแนะนาสั่งสอนคนทั่ ว, วไปได้พระ อ, องค์ก็ต้องอาศัยภาษาวกนั่นแหละเป็นกำลังใหญ่เพราะภาษาวกีมีอยู่ทั่วไป นั่นเนี่ยบ้านใดเมืองใดที่พุทธศาสนาแผ่ไปถึงอย่างนี้นะมันก็มีภาษาวกนั่นแหละนำคำสอนของพระเจ้าไปเผยแผ่เมื่อคนได้ยินได้ฟังแล้วเรื่มใสศรัท ธ, ธาก็เลยสร้างวัดสร้างวากันขึ้นพุทธศาสนาก็ตั้งเป็นหลักลงไปในบ้านนั้นเมืองนั้นไปก็ปเช่นอย่างประเทศไทยของเราอย่างนี้แหละ ก็อาศัยพระสง์นั่นเนี่ยเป็นผู้เที่ยวไปเผยแพ่ดังนั้นพุทธศาสนาจึงกระจายโดยทั่วประเทศนี้ดังนั้นพระสงฆ์สาวกของพระพุท ธ, ธเจ้าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วจึงได้เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกอันประเสริฐไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งไปกว่านี่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญไว้ก็เพราะเหตุว่า ภาษาวกเหล่านั้นท่านทั้งทำอาศวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไปด้วยแล้วท่านได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ชี้แจงแสดงให้ทายกทายิกาทั้งหลายฟังอีกเนี่ยทำให้คนเหล่านั้นได้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็ได้รักษาพระพุทธศาสนานี่ให้ยั่งยืนสืบต่อกันมา จนถึงบัดนี้ 2,500 กว่าปีแล้วบางครั้งบางคราวเกิดค่าศึกสงครามขึ้นมาเอาค่าศึกขเขาเผาบ้านเผาเมืองเขาคัมภีรทางพุทธศาสนาจนรอดไวายไปหมดก็มีบัดนี้เมืองไทยหมดลงไปแล้วก็เอาแต่งสมณทูตไปขอเอาจากประเทศอื่นที่มีพุทธศาสนาหนุ่มมา ขอเอาคำพีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่เข้าไปเนี่ยพุทธศาสนาก็จึงเริ่มเริ่มเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบันนี้ อ, อนับว่าพุทธศาสนานั้นเป็นหลักฐานอันมั่นของทีเดียวทุกวันนี้เนะี่ประชาชนพุธทธบริษัทก็เริ่มตื่นตัวกันตลอดถึงพระสองสามเณรก็ ต, ตื่นตัวกัน ชักชวนกันปฏิบัติธรรมปฏิบัติภาววิัยให้ดีให้เรียบร้อยต่อไปนี่ความเป็นมาของพุทธศาสนานี่นะอาศัยบริษัททั้งสีเหล่านี้แหละช่วยกันประคับประคองประพฤติปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่ย่นย่อท้อถอยแม้ชีวิตก็อาจสละแผนพุทธศาสนานได้ นี่พุทธศาสนาจึงได้ยั่งยืนมาจนถึงบัดนี้วันนี้พวกเรานี่ก็ได้มารับโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้แนวทางปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ภายในสงสารแล้วอย่างนี้เราจะไปลังเลทำไมอะ่ะก็ลงมือปฏิบัติกันเท่านั้นเลย ม, มันสำคัญอยู่ที่การปฏิบัตินะ ถ้าว่าเราไม่ลงมือปฏิบัติตามสิ่งใดที่ควรละไม่เพียนละสิ่งใดที่ควรกระทำให้เกิดให้มีไม่พยายามทำให้เกิดให้มีอย่างนี้พุทธศาสานาก็จะมีแต่เสื่อมไปเรื่อยๆเท่านั้นเองอ่แล้วผู้นับถือพุทธศาสานาก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเลยเรียกว่าไม่ไม่ทนทุกข์ไปได้เท่าที่ควรนะนั่นแหละดังนั้นน่ะ จึงว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะมันยึงขึ้นอยู่ที่การกระทำนี่แหละทั้งภิกษุสามเณรทั้งทา ย, ยกทายิกาต่างคนต่างต้องทำหน้าที่ของตนต้องทำข้อวัตปฏิบัติอันเหมาะสมแก่เพศแก่ภาวะของตนนะให้เต็มความสามารถโดยเฉพาะความสารวมระวังนี่แหละ อัลนว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเมื่อบุคคลยังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้อย่างนี้นะเผลอๆแล้วกิเลสมันก็มาครอบงมจิตทำให้เกิดเห็นผิดเป็นชอบไปได้เงื่อยได้เลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดสํารวมจิตใจอยู่เสมอเสมอไปอเมื่อตนทำความดีมาได้ขนาดนี้แหละตนทำใจได้ขนาดนี้เนี่ย แล้วก็พยายามสำรวมใจให้มันตั้งมั่นตามที่ตนได้บำเพ็ญมาอย่างนั้นเสมอไปอย่าให้มันตกต่ำลงไปกว่านั้นประคับประคองไว้ให้ดีอย่างนี้เมื่อเราฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีในขั้นนี้ได้แล้วอย่างนี้ก็ฟุตต่อจากนั้นไปก็พยายามทําความเพียรให้มันเข้มงวดเข้าไปกว่านั้นแบบนี้นะ เพื่อเราจะได้ให้จิตใจนี้มันก้าวหน้าไปอีกเพื่อให้คุณธรรมอันสูงกว่านั้นบังเกิดขึ้นในใจต่อไปนี่นะอุบายของการปฏิบัติธรรมนะขอให้พากันเข้าใจไว้ไม่มีใครแล้วจะมาช่วยเราได้นะเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้ทุกคนต้องช่วยตัวเองนะไอผู้อื่นก็เป็นแต่เพียงแนะแนวทางให้เท่านั้นแหละ จะช่วยอย่างอื่นไม่ได้เลยจะไปช่วยละกิเลสอะไรนี้ก็ไม่ได้ฉะนั้นทุกคนต้องพยายามช่วยตัวเองอมเมื่อสำรวจกวดดูตัวเองว่าตนเองยังมีกิเลสอะไรที่ที่มีกำลังกล้าโพื่นอยู่ในใจนี่แนละ้วก็เพียงพยายามละมันไปเรื่อยๆนี่นั่นแหละ การสํารวจตรวจการดูตัวเองการรู้เรื่องของตัวเองเนี่ยสําคัญมากให้พากันใส่ใจให้ ม, มากเดียววะไม่มีใครได้จะมาสํารวจตัวของเราให้ให้รู้ความดีของตนให้รู้ความชั่วความบกพร่องของตัวเองเ อ, อได้ยิ่งกว่าตัวเองสํารวจตรวจดูตัวเองไม่มีออนะเนี่ยมีแต่ตนของตนนี่แหละ ภามาที่จะสำรวจตัวเองให้รู้ความบกพร่องของตนได้ให้รู้ความดีของตัวเองว่าตนมีความดีอยู่ในใจมากน้อยเพียงใดอย่างนี้นะก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนนะจะต้องกำหนดรู้เมื่อรู้แล้วก็พยายามรักษาไว้อย่าให้มันเตอมนี่สำคัญข้อนี้แล้วเมื่อเห็นว่าตนยังมีนิสัยชั่วอะไรติดอยู่ในใจอย่างนี้ก็พยายาม ละมันไปอ่ปะพยายามละไปเรื่อยๆอย่าไว้สะสมมันไว้เช่นความโกรธความอิจฉาลิสิยากันต่างๆมันนี้ดังที่พูดมาแล้วนั่นน่ะนี่ขอย้ำอีกอย่าให้มีอยู่ในใจทั้งคารยสัตย์ทั้งนักบวชเนี่ยถ้ามีอยู่ในใจของใครแล้วอผู้นั้นก็ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ทําทั้งทําผู้อื่นให้เดือดร้อนไปตามกันด้วยอมันเป็นอย่างนี้ ไม่ใช่เดือดร้อนแต่ตัวผู้เดียวไปทำผู้อื่นให้เดือดร้อนไปด้วยดังนั้นนะอย่าไปเลี้ยงมันไว้กิเลสเหล่านี้นะเพา่รู้ว่าผู้มันมีอยู่ในใจของใครแล้วต้องพยายามพยายามสละมันออกไปอย่างที่แนะนำมาแล้วนั่นนะเจริญเมตตาให้มันมากมากกิเลสเหล่านี้มันถึงจะเบาบางลงไปถ้าว่าใครไม่มีเมตตาทําอยู่ในใจแล้วแน่นอนแหละ กี้เลอเต่านี้มันต้องหนาแน่นขึ้นในใจเลยแล้วจะไปเจริญธรรมะอันสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ไม่ได้แล้ววันนี้จิตใจก็ตกต่ำเป็นธาตุของความโลภความโกรธความหลงอยู่อย่างนั้นนี่ไม่มีทางก้าวหน้าไปได้เพราะฉะนั้นแหละก็ขอให้พากันพิจารณาดูให้ดี มันไม่ก้าวหน้าไปได้จริงๆนะถ้าหากว่าไม่กำจัดกิเลสอันหยาบหยาบมันอยู่ฝังอยู่ในจิตใจนี่ออกไปก่อนแล้วจะไปเจริญนิพพานาพิจนาเห็นสังขาร น, นามโนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้นี่มันมันเป็นไปไม่ได้อมันไปไม่ได้เพราะว่าบุคคลผู้มีความโลภจัดโกรจัดนี่แสดงว่ามีมานะมากเป็นผู้ถือตัว เออตัวตน่ะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่กลัวใครไม่ไม่ยอมอ่อนน้อมกับต่อใครอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วที่ไหนเระมันจะไปลากกิเลสได้นะอไปมัวถือแต่ตัวแต่ตนว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ได้อนอะนี่แหละโคษเง่าของกิเลสคือมานะทิฏฐินี่เองเลย ให้พากันเข้าใจดังนั้นเพื่อให้กิเลสต่างๆมันเบาบางออกไปต้องลดละทิฐิมานะอันนี้ลงด้วยการอ่อนพยายามแสดงกิริยาอ่อนน้อมถ่อมตนต่อมูต่อคณะเอไม่ไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดืองต่อมูต่อคณะแม่ผู้จะเป็นผู้น้อยขั้วตนก็ตามก็ไม่แสดงอาการเย่อหยิ่ง ต่อผู้ผู้เพื่อนผู้น้อยขัวตนนะก็ต้องวางตนให้เหมาะสมให้เข้ากันได้อันนี้เป็นธรรมะคําสอนของพระพุธเทธเจ้าที่แนะนําคําสอนมานี่นะผู้ใดปฏิบัติตามได้ผู้นั้นจะได้ความเบาใจความเย็นใจแน่นอนทีเดียวแล้วจะเป็นประโยชน์ตนด้วยและเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วย อย่างมากมายต่อไปดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้